สัทธาบัน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 น, นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันาถาสศรัทธา ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมคอรมอลผลเอกประยุทธ์จันทโอชาในวงตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการฟอร์มทีมรัฐบาลนะครับบอกว่าเขา ในส่วนของทีมงานก็กำลังมีการจัดตั้งนะฟอร์มทีมกันอยู่นะครับมันก็ไม่ต้องห่วงนายยงตีบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่มีข่าวว่าในส่วนข่าวลือว่าในส่วนของสื่อฮ่องกลงลือว่านายธนดินเจรละว น, นผู้บริหารเครือ CP จะจะมาเป็นนายกคนต่อไปก็บอกว่าเป็นเป็นเพียงข่าวลือแะครับไม่ไม่ไม่เป็นจริงนะนายงตีก็มีการปฏิเสธไปนะครับซึ่ง ตรงนี้นี่คงจะต้องดูแล้วก็ยังรอในส่วนของรพรกพลังประชารัฐนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการจัดวางตำแหน่งน้ําตีอาจจะต้องส่งมาให้ในส่วนของรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ดูนะครับเพราะในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องรออีกนะครับนะสักพักหนึ่งนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูก็กําลังมีความเคลื่อนไหวกันในหลายๆส่วนละครับในการ ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งที่น่าจับตามองก็คงจะเป็นประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยซึ่งมีการสัมมนาสสนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิใจไทยนี่สอสมอบหมายให้หัวหน้าพักนะเป็นคนไปเจรจาไปตัดสินใจส่วนของประชาธิปัตย์นี่ก็ก็มีการมอบหัวหน้าพักเลขาธิการพักนะครับแล้วนอกจากนี้นี่ประชาธิปัตย์มีการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักกันใหม่ซึ่งนายราเมศรัตรนชเวงโคศกไปิชาติปัตตก็บอกว่าที่ประชุมเนี่แต่งตั้งให้ในายองอาจคล้างไพบูลสอสอบัญชีรายชื่อไปเป็นประธานสอสนะครับแล้วก็แต่งตั้งนายชินวรบุญยเกียรติสสนครศรีธรรมราชมาเป็นประธานคณากรรมการประสานงานหรือวิบสอสนะครับเพราะฉะนั้นก่อจะโหวตไปในในในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นะ แล้วก็ได้ข่าวว่าส อ, สองพักใหญ่นี่ก็ไปไปพบปะไปจับมือกันในการที่จะต่อรองตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันกันต่อแะครับในส่วนของวุฒิสภานี่นะครับจากข่าวนะครับเนี่ยกระแสข่าวนี่บอกว่ามีการวางตัวผู้ดำรงตำแหน่งในวุฒธธิสภาซึ่ง250คนเนี่ยแหละครับนะซึ่งก็บอกว่ามี ในส่วนของตำแหน่งประธานวุธิสภาก็คื อ, อ น, นายพรเพชรวิชิตชลชัยซึ่งเป็นอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะสนชเพราะว่าได้รับความไวม้วางใจจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับนะก็จะทำหน้าที่ต่อส่วนรองประธานก็น่าจะได้แก่พลเอกสิงศึกสิงไพรซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะแล้วก็เป็นเตียนเตรียมทหารรุ่นสอง เป็นรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์นะครับนายยุงตรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กับลักส่วนรองประธานวุฒิสภาคนที่สองคือนายสุภชัยสมเจริญอดีตประธานกรกตนะครับที่จะออกมาเป็นเป็นรองประธานวุฒิสภานะครับซึ่งพอในข้อ เ, เป็นข่าวที่ออกมาก็คงจะต้องดูส่วนตําแหน่งกรรมธิการชุดต่างๆก็จะมีการอมอบหมายกันไปในส่วนของ ของวุฒิสมาชิกนะครับนะซึ่งของของวุฒิสมาชิกเนี่ยก็เขาก็มีการวางตัวมีการหาเตรียมการกันไปแล้วนะวุฒิสมาชิกชุดนี้ก็มีมีบทบาทสูงนะครับเพราะว่าวุฒิสมาชิกนี่จะเป็นมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกทั้งรีด้วยนะครับนะซึ่งเมื่อรวมเสียงวุฒิสมาชิกกับสสเนี่ยนะก็จะทําให้โหวตเลือกพัก ในในส่วนของตัวนายงตีเนะี่ยและหลังจากนั้นนี่ก็จะนายงตีกับคอรมอนี่ก็จะไปตั้งคณะมนตรีบริหารประเทศนะครับนะซึ่งนั่นก็เป็นบทบัญญัติที่วางไว้ใ น, ใ น, ใ, นในรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ต้องติดตามดูรายละเอียดกันเพราะช่วงนี้นี่กำลังมีการจับขั้วจับฝ่ายกันในการที่จ ะ, ะต่อรองเก้าอี้กันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ทางเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่ได้แยมหลหนึ่งก็กําลังรวบรวมเสียงเพื่อจะตั้งรัฐบาลแข่งกับพลังประชารัฐก็จะมีอยู่สองขั้วนี่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะมีขั้วที่3ก็ต้องติดตามกันต่อมาลับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับ ทุกวันต้องการเพียงแค่ได้ คุณหลให้ผมว้าุรักคุณต่อไปเถิดน้ามาพูดมาคุยกันกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่มีเกี่ยวกับเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามี การตอบโต้กันไปนะครับระหว่างจีนกับสหรัฐเกิดสงครามเศรษฐกิจกันขึ้นมานะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเราด้วยเพราะไทยเรานี่ส่งออกจำนวนมากนะไปยังจีนสหรัฐค้าขายกับทั้งทั้งสองประเทศนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเราเริ่มชะลอตัวจากการเปิดเผยของนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการของ สำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตมาสแรกของปี62ขยายตัวแค่ร้อยละ 2.8 ลดลงจากการขยายตัวในไตมาสก่อนนะครับ 3.6 เเซนะครับในขณะที่การส่งออกเนี่ยปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ ยากแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้านะการผลิตภาคเกษตรพลังงานนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรงนี้นี่ก็เริ่มชะลอตัวทั้งค้าปีค้าส่งนะครับนะทั้งด้านท่องเที่ยวนะขนส่งก่อสร้างก็เริ่มที่จะชะลอตัวกันนะซึ่งคงจะต้องแก้ไขกันกันโดยด่วนะซึ่งเลขาธิการของสาภาพัฒน์ก็บอกว่า GDP เหลือลงร้อยละอนี่ถือว่าต่ำสุดในรอบ17ไตรมาสที่ผ่านมานะครับนะตอนนี้ตรงนี้นี่คงจะต้องจับตามองนะครับนะตอนนั้นนี่ก็ต้องแก้ไขโดยด่วนนะครับแล้วก็แนวโน้มการบริหารเศรษฐกิจไทยในปี2012ัน้ี่เราต้องพยายามหาตลาดส่งออกให้ได้มากขึ้นนะเพื่อให้การส่งออกของไทยนี่เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ วขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็คือภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องพยายามรักษาฐานรายได้ไว้ไม่น้อยกว่า 2.21 ล้านล้านบาทนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องจะต้องดูนะครับว่ า, ว, าว่าจะทำอย่างไรนะครับในขณะที่เศรษฐกิจนี้เริ่มชะลอตัวท้าทายมากแล้วครับนายกองต้องแก้ไขปัญหาส่วนนายทิตนันมาลิการมาศผู้ช่วย ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวไปมีแนวโน้มจะขยายตัวตามกฎที่ประเมินไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าซึ่งจะระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นหลักแล้วครับก็จะส่งผลกระทบต่อต่อภาคเอกชนนะการส่งออกอะไรต่างๆเนะพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องต้องต้อ ง, องดูแหะครับแนตะ่หาตลาด ใหม่ๆอาจจะต้องไปค้าขายกับทางอินเดียบ้างนะครับนะทางแถวประเทศทางยุโรปหรือว่าทางแอฟริกานะตะวันออกกลางอะไรทานองนี้อาจจะต้องไปไปทางทิศอื่นนะเพราะที่ผ่านมาเราก็พึ่งตลาดสินค้าเนี่ยเราส่งไปจีนบ้างไปสหรัฐไปอะไรต่างๆกันมากนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องหาทางออกล่ะครับรัฐบาลนะครับว่าจะทํา อย่างไรส่วนนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายยงตรีก็บอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มีปัญหาส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแล้วก็รวมทั้งการเชื่อมั่นทางการเมืองเพราะนั้นนี่ถ้าเลือกตั้งแล้วนี่น่าจะดีขึ้ น, นแต่ก็ ย, ย, ยังชะลออยู่ล่ะครับก็จะจะแก้ปัญหากันอย่างไรรองนายยงตรีนี่ก็เร่งเหมือนกันนะครับว่าจะจะทำอย่างไรที่จะพยุง นะราคาสินค้าทางการเกษตรอย่างอย่างปลาล์มน้ำมันนี่ก็บอกว่าจะให้ในส่วนของการไฟฟ้านี่รับซื้อปลาปล์มปาล์มจากชาวบ้านนะมามาผสมทำน้ำมันซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะทำให้ราคาของปลาล์มนี่ขยับนะสูงขึ้นนะครับในขณะที่นะพืชตัวอื่นนี่ต้องหาหาตลาดเพิ่มนะครับอย่างข้าวนี่เรามีมีคู่แข่งอย่าง ในส่วนของเวียดนามนะครับนงอินเดียดั่งนะามาพม่าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็ส่งออกในราคาถูกถ้าเราจะส่งราคาสูงกว่าเราก็ทำตลาดไม่ได้เหมือนกันทำอย่างไรที่จะต้องมีการขยับนะครับตลาดสินค้าทางการเกษตรนะให้ให้ได้มากขึ้นนะครับนะก็คงจะต้องต้องดูส่วนเรื่องการท่องเที่ยวนี่ถ้ากเกิดมีกรณี สงครามการค้าจีนสหรัฐนักท่องเที่ยวจีนที่จะไปเที่ยวอย่างทางทางประเทศอเมริก า, า จ, จะลดหรือจะหันมาเที่ยวแถวเอเชียนะไทยเรานี่ก็เป็นที่นิยมเราจะดึงมาได้หรือไม่นี่ตรงนี้นี่คงจะต้องเตรียมแผนในยุทธศักตร์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าก็ได้ให้มีสํานักงานทททในประเทศจีนเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ นะครับติดต่อทัวร์เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวยังยังประเทศไทยเรานะครับน ะ, นะซึ่งจากปัจจุบันนี้ก็คนจีนมีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพา ะ, ะพวกชนชั้นกลางนีก็ น, นิยมไปท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไทยเรานี่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเมื่อปี2011เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมามาเที่ยวประเทศไทยประมาณ 10.5 ล้านคนนะครับนะซึ่งก็ เป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะในขณะที่ปีนี้นะครับปี2อ2 2สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็ประเมินว่าคนจีนจะมาเที่ยวไทยประมาณ 11.5 ล้านถึง12ล้านคนนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะทำให้มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับนะมาเที่ยวก็คือมามาจับจ่ายใช้สอยมาเลยต่างๆงนะครับนะเพราะนั้นี้ตรงนี้นี่ผมยวต้องพยายามที่จะดึง นักท่องเที่ยวนะมามาอย่างบ้านเราให้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามาแล้วเขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งแล้วนอกจากนี้นี่ในส่วนของทางด้านมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเอกชนนี่คนจีนก็นิยมนะครับที่จะมาเรียนอย่างต่างประเทศนะอาจจะไปสหรัฐไม่ได้ก็ จ, จะหันมานะอยู่เรียนอยู่แถวแถวอาเซียนซึ่งนะไทยเราก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่คนจีนนิยมมาเรียนแหะครับนะในขณะที่ เด็กนักเรียนมัธ ย, ยมของเราลดลงเนี่ยถ้าเรารับนักศึกษาจีนมาก็จะเป็นสิ่งที่เสริมได้เหมือนกันในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนนะคงจะต้องหาทุกวิธีที่จะเสริมรายได้เข้ามาในช่วงที่เศรษฐกิจะชะลอตัวแล้วก็สงครามทางการค้าระหว่างจีนสหรัฐค่อนข้างที่จะรุนแรงเนี่ยไทยเราคงจะต้องปักห้องตัวให้ดีสาหรับวันนี้นะครับเวลาของ รายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมเมื่อกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนานต้องขอลาท่า น, นไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับอยู่ห่างกันเพียงไหนไม่เคย